เพียงหรือเทียน เ, เนี่ยพอจุดไม่ขีดลมพัดดับจุดไม่ขิดลมพัดดับแต่ว่าเราต้องเทียนทำอย่างนั้นนะครับพอได้จังหวะมันจากความรู้สึกตัวน้อยๆ น, นี่นะครับมันจะไปต่อกันที่หัวใจทันทีเพราะมันเชื่อมความรู้สึกที่รวบรวมมาที่หัวใจนี้ปรากฏขึ้นสักครั้งหนึ่งนะครับต่อจากนั้นนะวิถีชีวิตจะเปลี่ยนแปลงนะนะครับ ส่วนความสุขนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องแสวงหาครับเหมือนคนที่มีสุขภาพทางกายดี <Incredible> การเดินไปเล่นริมทะเลสูดอากาศบริสุทธิ์ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งยากเป็นเรื่องง่ายๆเท่านั้นเองพวกเราทุกคนนะครับเกิดมาก็เป็นมนุษย์เต็มรูป จะเรียนหนังสือก็ตามไม่รู้หนังสือก็ตามเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามเมันเป็นมนุษย์สมบูรณ์ชนีดแล้วนะครับคือเรามีหัวใจที่พร้อมที่จะที่ซ่อนพลังที่จะเบิกบานได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์ี่ยากไม่ใช่ยากตรงที่ว่แม่ต้องคลอดลําบากไม่ใช่อย่างนั้ น, น การที่ได้ความรู้สึกตั ว, วยิ่งคนมนุษย์ธรรมดาสามัญหนึ่สิ่งที่ที่ยากมากนั่นหมายความว่าเมื่อมีแล้วมันมีภาวะที่พร้อมที่จะก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นมนุษย์เหนือมนุษย์ความเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญก็คือมนุษย์ซึ่งสุขบ้างทุกบ้างมีกิเลสบ้างมีกุศลบ้างไกุศลบ้างนี่มนุษย์ธรรมดาครับคนธรรมดาสามัญเท่านั้น มีอีกเก้าหนึ่งที่เราต้องก้าวขึ้นไปคือเป็นคนเหนือคนเป็นมนุษย์ซึ่งอยู่เหนือความเป็นมนุษย์นั่นคืออยู่เหนือสัญชาตญาณอยู่เหนือสิ่งที่ลิขิตมาในจีนครับอยู่เหนือสัญชาตญาณที่ที่คอยก่อกวนถ้าเราสังเกตดูจรนะครับเราถูกรบกวนบ่อยๆครับ ความราคาบ้างจากความละโมบบ้างจากความเกลียดบ้างในสุดความสุขกับกลายเป็นสิ่งที่ต้องหากันอย่างรุนแรงเพราะว่ามันหายไปนั่นเองจริงไหมครับแต่คนไม่มีสิ่งรบกวนเนี่ยมันจะไม่หาความสุขหาทำไมมันไม่หายมันไม่ได้หายไปจะหาทำอะไรเหมือนก็ว่าแหวนหรือแว่นตากของเรายังไม่ได้หายไปเราก็ไม่ต้องหา แต่ถ้ามันหายไปนี่แน่ละ่ะยุ่งแล้วครับคนที่กระหายความสุขอย่างรุนแรงนั้นก็เพราะว่าในหัวใจเต็มไปด้วยความหมน่นหมิดในที่นี้เมื่อหาความสุขก็ต้องลงทุนหนักสุขไปสุขมาหาไปมาต้องค่าแกงเงินทันทีนี่ครับปีนี้ครับเรา ผมต่อไปนี้ผมจะพูดสั้นลงนครับพอพอให้จับประเด็นได้เท่านั้นเองวันนี้เราก็มาปฏิบัติครับปฏิบัติผมพูดคาปฏิบัติเหมือนเครื่องรางของถั ง, งไปแล้วนะเช้าก็ปฏิบัติเย็นก็ปฏิบัติคือคือจริงๆแล้วมันคำปฏิบัตินี้มันมันเป็นคำพูดเท่านั้นเมื่อใดก็ตามที่เรากลับมารู้สึกตัวนี่นั่นแเราก็ลังปฏิบัติ มีคนเป็นจานวนมากทีเดียวนะครับที่เข้าใจผิดต่อคาปฏิบัติเช่นกระเฮียนก็ะหือปฏิบัติพูดกับเพื่อนบอกเดี๋ยวก่อนถท้ลูกโตหน่อยกูจะเข้าวัดปฏิบัติให้มันรู้เรื่องถ้าอย่างนี้รับรองนะย <c oughs> จนตายด้ว น, นะครับเพราะฉังเข้าใจผิดอยู่ต่อเวลาและสถานที่ถ้าจะตั้งคำถามว่า <c oughs> ปฏิบัติธรรมะที่ไหนดีที่สุดใคร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 ไม่ใช่ในฝูงคนไม่ใช่ในโรงหนังในร้านกาแฟาที่ที่เรารู้สึกตัวเพราะาทําไม่รู้สึกตัวมันมปฏิบัติอยู่แล้วเข้า <c oughs> ใจไหมครับเมื่อที่ที่เรารู้สึกตัวได้ทีนี้ในส้วมก็ได้ครับกำลังนั่งถ่ายอยู่ก็รู้สึกตัวขึ้นมานี่นยะตรงนั้นเนี่ยเหมาะที่สุดแต่วบางทีหลายคนคิดว่าต้องไปปฏิบัติที่ฐานเจดีนนไปนครศรีธรรมราช ยกกระนลงไปขาดสติไปแตะต้นมือจนกระทั่งไปจนกลับแล้วคิดว่าไปปฏิบัติธรรมนี่คือคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับจัดรถทัวร์ทอดกรถินไปโอ้เชียงรายนะครับจะไปปฏิบัติธรรมทั้งทั้งนี่ที่ที่เหมาะที่สุดอยู่แค่ปลายจมูกนะครับทำเวลาไหนเป็นเวลาที่ปฏิบัติ ด, ดีที่สุดบางคนบอกว่าเวลาเช้าตู่ที่สี่เหมาะจิตใจแ จ, จ่มใส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 พวกเราหลายคนอาจะยังเข้าใจผิดแต่เายคนบางคนเริ่มจับประเด็นได้แล้วครับผมผมเริ่มมีกำลังใจขึ้นบ้างครับตอนบ่า ย, ายหันไปดูนอกหนต่างเห็นคนเดินจงกลมนั่งยกมือนั่นแสดงว่าผมคงไม่เสียเที่ยวเปล่าแล้วก็เสียงแม่ค้าปลาหายไปครับตอนบ่ายนี้แม่ค้าขายปลานี่ไ ม, ไม่มีแล้วนั่นแสดงเราเริ่มเริ่มจับประเด็นได้นล้ครับ ไม่ใช่ว่ามันนั่งปฏิบัติที่นี่พอตีละครั้งยกเลิกกันลืมกันเลยแล้วก็มาอีกทีงุ่งนี้เช้าอย่างนี้ยังไม่เข้าใจครับการปฏิบัตินั้นการเจริญสีนั้นนะครับเป็นการกระทำให้ถีบผมจะเปรียบให้ฟังครับว่าระหว่างสติสมาธิปัญญาสัมพันธ์อย่าง น, น เมื่อเราสะสมน้ำทีละหยดในแก้วหรือในกระป๋องน้ำทุกหยดครับก็คือน้ำเท่าเทียกันแต่เมื่อมันสะสมหลายหยดเข้ามันก็รวมตัวเกิดพลังขึ้นเข้าใจไหมครับแบบทํานกเนึ่ครับที่มันมันสูงๆโอ้โหมันมหาศาลแต่ที่จริงก็คือน้ำแต่ละหยดเท่านั้นเองดังนั้นเมื่อเรามีสติต่อติดกันข้าวเหมือนจุดๆๆรวมกันมันเส้นตรง เส้นตรงนั้นเป็นผลเนื่องจากจุดๆ ๆ, ๆมันต่อกันใช่ไหมครับวิชาเรขาคณิตนัต่นผมจะยินเพลงร้องอะไรบองๆเนี่ยเสตรงเส้นหนึ่งตั้งบนเส้นตรงเส้หนึ่ ง, ง, ง, งอะไรเนีค่ความสัมพันธ์ระหว่างสติกับสมาธิก็คือสมาธิเป็นผลของสติซึ่งต่อเนื่องตอนที่เียกสตินั้นแปลว่าความระลึกได้รู้ตัว เพราะว่ากิจของมันมันทําหน้าที่ทําลายความไม่รู้สึกตัวจึงเรียกว่าสติแต่ว่าสติละเวนไม่ได้ครับผมได้ยินผู้พูดบอกสติเท่านั้นทําให้หลุดพ้นนี่นี่ไม่จริงครับพูดกันเพ้อไปเลยละพระเจ้าทรงตรัสว่าสตินั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่สติละเวนไม่ได้เหมือนเรามีสติเราโกรธคนเรารู้ว่าเรากำลังโกรธแต่มันก็ละไม่ได้ครับ เพราะหน้าที่ละไม่ใช่หน้าที่ของสติเข้าใจไหครับแต่สติเป็นดุจทำนบเป็นหลักที่กําหนดรู้ว่านี่เกิดเรื่องแล้วต้องมารู้ตัวก่อนมันทำได้เท่านี้ครับต่อเมื่อสตินี้รวมตัวกันขึ้นตอบรวมตัวกันขึ้นมันเกิดเป็นพลังของสมาธิที่จริงอันเดียวกันนะแต่ว่ามันเป็นสมาธินั้นเหตุที่ช่สมาธิเพราะมันเกิดตั้งมั่นขึ้นมาในะจิตตั้งมั่นขึ้นมา แล้วกิจของมันคือละความสัดสายของอารมณ์ของจิตจิตเริ่มไม่หมุนซัดไปทางนี้สายไปทางนี้มันเริ่มตั้งกันในตัวของมันแต่ก็ยังละไม่ได้อยู่ดีครับสมมติว่าเราโกรธจิตบรรลุถึงสมาธิมันแค่ระงับไว้เท่นนั้นเองแต่ถ้าสติมันร้อนครับโกรธเขาก็เยอะอยู่อย่างนั้นแต่ว่ารู้ตัวแล้วว่าเยอะแลาาก็ะายหมครับแต่สตินั้นทาหน้าที่รู้ตัว จนกว่ามันรวมตัวเป็นสมาธิมันทำหน้าที่สะกดอารมณ์ไได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ะละไม่ได้ครับแต่จากสมาธิอันนี้มันจะไปเห็นรูปนามครับมันจะไปเห็นการเกิดดับของขันจิตกับอารมณ์รวมกันยังไงแยกตัวยังไองอันนี้เรียกปัญญาครับถ้าไม่มีสมาธิปัญญาจะไม่รู้เห็นรูปนามครับจะไม่รู้เห็นขันและอุปาทานขันว่า ขันที่บริสุทธิ์คืออย่างไรแล้วขันที่มีอุปาทานครอบครอบเนี่ยจะไม่รู้จักเมื่อไม่รู้จักจะเพิดถอนกิเลสอาสวะที่แฝงเร้นอยู่ในสันดานกัมมลสันดานไม่ได้ทุกส่วนใหม่นะครับทัศสติเปรียบเหมือนสายน้ำเล็กๆไห ล, ลามาจอกๆว่านี้ครับเอาพักเรื่องอื่นก่อนครับเรื่องที่ผมพูด ไม่สําคัญหรืออย่างไงครับผมจะได้หยุดพูดเพื่อฟังเรื่องที่สําคัญกว่านั้นมื่อสายน้ําเล็กๆหลายมานี่มันมันรวมตัวกันที่หวังน้ำนั่นเรียกว่าสมาธิที่เมื่อมันรวมตัวเป็นห่วงน้ําใหญ่ขึ้นเรียกว่าปัญญานนในชีวิตของคนหนึ่งหนึ่งนี่นครับชีวิตส่วนตัวของคนหนึ่งหนึ่ง ผมจะเปรียบด้วยห้วยห้วยเล็กๆครับซึ่งเมื่อนานปีเข้าน้ำที่ขังหญ้าขยะมันก็จะเน่าขึ้นดังนั้นความรู้สึกที่หดหูหม่นหมองอึดผัดเกิดขึ้นบ่อยเพราะความรู้สึกส่วนตัวของเราเสมมติเราทำลายไอ้ผนังเขื่อนนะครับเปิดที่กั้นระหว่างหนองน้ำกับทะเลนี้ พราะทะเลมันมีวงจรที่ใหญ่มันมีระบบนิเวศ ท, ที่ที่ที่ทำทำความสะอาดตัวมันเองได้เพอะเราเปิดปับ๊บไอ้วงจรเล็กๆในหนองนะ้ําจะเข้ารวมวงจรใหญ่ของทะเละเข้าใจไหมครับในสุดวงจรใหญ่จะค่อยๆชําระให้วงจรเล็กๆสะอาดเข้าใจไหมครับวงจรใหญ่เน้นพ้นเปรียบด้วยระบบธรรมชาติทั้งหมดครับระบบธรรมชาติทั้งหมดนั้นก็คือระบบที่เรารู้จัก ในานามของอิทัิปฏิตยาตาหรือกระจายลักษ์ระบบของความแปรเปลี่ยนไร้ตัวไร้ตนเป็นระบบที่กว้างครอบคลุมไปทั่วสุกโลกจักรวาลม็ดฝุ่นซึ่งเม็ดหนึ่งดวงดาวซึ่ดวงหนึ่งดาวที่เราเห็นกำลังผุเปื่อยไปทุกๆทุก ๆ, กกๆวันนะครับแต่เราเห็นมาโอ้ยบรรพบรุษเราก็เห็นมานานแต่ที่จริงมันมันมันเสื่อมสลายไปทุกวันดวงอาทิตย์ก็เสื่อมสลายไป เข่าใจไครับทีนี้วงจรเล็กๆในตัวเราเนี่ยพอเรารู้สึกตัวนะครับรู้สึกตัวกว้างๆขึ้นมาเอกธรรมชาติเล็กๆในตัวค่อยๆเข้าไปรวมตัวกับธรรมชาติใหญ่ดังนั้นกฎสัจธรรมของการแปลเปลี่ยนเองครับที่เข้ามาเคลียร์ตัวเราดังนั้นจึงเรียกว่าเป็นการขัดเกลาเราให้ธรรมชาติขัดเกลา ดังนั้นเราต้องตื่นตาตื่นใจนะครับเหมือนเราไปเชื้อเชิญใครมาช่วยชําระทาสีบ้านทั้งข้างนอ ก, นอกข้างในทําควัญอะไรพอเข้ามาเข้าประตูเราปิดล็อกก็เลยเขาก็เลยทาลั้วให้ตนนั้นเองถ้าเราไปเชิญเข้ามาหรือไปจ้างเข้ามาเราต้องยินดีเปิดทุกส่วน <c oughs> เพื่อจะได้ทาสีซ่อมแซมดังนั้นเราต้องเชื้อเชิญธรรมชาติเข้ามาในตัวนะครับเราจะต้อง เปิดเผยตัวเราเออกเปิดหน้าต่างออกครับในการที่จะเจริญสติจนถึงระดับสมาธินั้นที่จริงไม่ไม่ใช่อาศัยกรรมวิธีที่พิลึกพิสดารพันลึกอะไรเป็นกระบวนการธรรมชาติทั้งสิ้นครับสิ่จงเดียวกันที่เราอยู่ในบ้านนั้นเราเปิดหน้าต่างทุกบานไว้ลมจะพัดเข้ามาแล้วก็พัดฝุ่นอากาศอ้ำอาบออกไปเองอาศัยระบบธรรมชาตินั้นเอง ถ้าเราไม่เข้าใจนะครับเราปิดประตูหน้าต่างหมดต่อให้ลมพัดข้างนอกอู้เลยก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้แล้วธรรมหรือธรรมชาตินะครับเป็นอยู่ทุกขณะแต่เรารับมันไม่เป็นเราต้อนรับไม่เป็นเรามวโมยปกป้อง้ความสุขส่วนตัวของเราเพราะอยากได้นั้นอยากได้นี้บางคนฝันจะได้ลิปสติกแท่งใหม่ในนอนไม่หลับซึ่งน่าสงสารมากๆครับผมเคยนั่งฟัง กลุ่มสตรีเขาปรึกษาหรือกัเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ไปแอบฟังบางเอิญได้ฟังสึกโอ้โหคุณมีตำแหน่งนึงอะไรยังคุยกันเรื่องพันนี้เหรอบางทีผมไปนั่งคุยกับเพื่อนพูกกันไม่รู้เรื่องครับมันพูด ก, กัเรื่องรถยนต์เหือผมไม่รู้เรื่องเลยยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนมันมันรู้ละเอียดมากรุ่นนั้นเพิ่งออกนั้นเราฟังมาเพลินเหมือนคนอ่านหนังสือสวดให้ฟังน <laughs> ันเป็นอยู่อย่างนี้มันจะรู้จัก กายรู้จักจิตรู้จักรูปรู้จักนามนี้ไม่ได้ครับแต่ว่ารู้จักรถเก๋งคันใหม่เสื้อยี่ห้อใหม่หมหมออกมามรู้ทั้งนั้นเลยความรู้เช่นนั้นเน่ยเป็นเป็นปัญหาในตัวมันศีล ส, สมาธิปัญญาครับหรือสติสมาธิปัญญาเนะี่ยผมผมรวมคําว่าศีลกับสติเข้าด้วยกันศีลทุกข้อครับต้องปฏิบัติด้วยสติ มีคนไม่เข้าใจด่าฝากของบอกไม่เคยสอนศีลใครไม่เข้าใจนะครับว่าตัวสติเนี่ยคือตัวศีลเช่นปานาติบาตนไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขาดสติแล้วมันจะรักษาศีลอะไรอยู่จริงไหมที่จริ ง, รงตัวศีลเป็นข้อบัญญัติแต่ตัวปฏิบัติคือสติเข้าใจไหมครับดังนั้นเมื่อเราพูดเรื่องสติแล้วเราไม่ต้องพูดเรื่องศีลอีกครับ ถ้าจะพูดเราต้องพูดถึงศีลในภายในครับเช่นสภาวะปกติอันหนึ่งปรากฏขึ้นอันนี้เรียกว่าศีลแท้ศีลที่ไม่เกี่ยวกับสังคมศีลที่เกี่ยวกับสังคมคือกฎเกณฑ์ที่อยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบเรียบร้อยอยากขโมยของเขาเนะเขาลักเขาหวงแต่เาเขามาขโมยขโมยของเราบ้างเราคงโมโหและเป็นทุกข์ อย่าทำให้คนอื่นเป็นทุกข์โดยไปแย่งของเขามานะหรืออย่าไปพูดเท็จทําให้เกิดคลาดเคลื่อนในความจริงเกิดความเสียหายกับเขาเมื่อเขาทํากับเราเราก็เสียเสี ย, ยใจใช่ไหมครับนี่เป็นเรื่องทางสังคมศีลห้าศีลแต่ว่าถ้าเราเริ่มที่ตัวสตินะครับมันก็ครอบคลุมเรื่องศีลทุกประการไว้ขอดื่มสุรานเล่าอยู่ในขวด มันเมาไหมครับขวดเมาไหมคนเนี่ยไม่ดื่มเหล้าก็ไม่เมาแต่ว่าพอเหล้าเข้าในปากคนเมาทันทีเหมือนดังนั้นถ้าตราบใดที่มันยังรู้สึกตัวอยู่ถึงจําเป็นนี่ต้องดื่มนะครับมันก็ดื่มพอประมาณเช่นใช้ผสมยานะผมดื่มกันแต่ใช้ผสมยาครับเพราะว่าอายุมากขึ้นมันต้องพึ่งยาเหมือนกันเช่นยากแก้เมื่อยขบ พวกยาดองอไอันนี้ถ้าเราดื่มอย่างนี้เขาไม่เรียกผิดศีลเลจริงๆคุพระเจ้านุญาตใน้ิกษุดื่มเล่าได้ที่เข้าเป็นผสมเป็นยาในดีกรีที่ตำ่ำแต่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่หาเรื่องไปดื่มนะ <c oughs> เมื่อมีสตินะครับ การฟังก็ดีการคิดก็ดีจะมีขั้นมีตอนแต่ถ้าคนขาดสตินี่มันจะมันจะไม่มีขั้นตอนครับพูดภาษาฝรั่งว่าทําอะไรนี่มันจะ ม, มีกรรมวิธีนี่มันจะไม่สนใจมักเขาวิธีแต่มันตะกร้ตะกรามผลเข้าใจไหยครับเรามาดูน้อวิธีชีวิตงคนปัจจุบันนี้นะครับผมคิดว่าอันตรายไม่ใช่น้อย แต่เรามีลูกสุกคนหนึ่งพ่อหรือแม่เนี่ยอยากจะอวดลู ก, กนะครับเข้าไปในห้างสินค้าจะซื้อฟุตบอลให้ลูกก็ควักเงินจ่ายลูกมันก็ชอบนะรักพ่อมากกรับพ่อเอาใจนะซื้อเสื้อตัวหนึ่งแต่เราคุณจะตรองดูนะครับเด็กคนนี้ค่อยๆโงทท่ทุกทีทุกทีคือมันไม่รู้ว่าเสื้อนี่ออกมาจากไหนมันคิดว่าเสื้องอกกันได้ที่ตู้ในในห้างสรรพสินค้า เดี๋บางคนคิดว่าแตงโมนี่ออกมาจากตู้เย็นครับมันไม่รู้ว่ามีคนหลายร้อยคนมากที่ร่วมในการปลูกแตงโมให้ต่างนะครับหรือเสื้อตัวหนึ่งๆเนี่ยมีทั้งแต่งช่างทอช่างฟอกช่างซักช่างเย็บช่างตัดช่างลังถักลังดุมคนผลิตกระดุมคนออกแบบกว่าสําเร็จเป็นเสื้อเนี่ยไม่ใช่พ่อมันคนเดียวทําครับทีนี้พ่อมันอยากอวดลูกควักเงินซื้อ ลูกก็คิดว่าโอ้ยพ่ อ, อ น, นี่เก่งจริงๆเลยเนีรมีอะไรได้แต่ถ้าเป็นพ่อที่ดีผมว่าไม่ควรทำอย่างนั้นคือเป็นแม่ที่ดีนะครับเพราะว่าการทำอย่างนั้นกับลูกลูกจะสำคัญผิดมุ่งหวังผลมากกว่าการสร้างเหตุเข้าใจไหมครับและนั่นคือเรื่ององมงายเรื่องหนึ่งในชีวิตของเราแต่ว่าถ้าคนที่เข้าใจต่อกระบวนการนะครับ มันรู้ว่าผลย่อมเกิดจากเหตุและดังนั้นมันจะต้องสร้างเหตุที่จะให้ได้สิ่งนั้นเนรมิตเอาไม่ได้ครับผมจะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งว่ามนุษย์มีความรู้สึกที่ร้ายเหตุผลมีอย่างไรสมมติคราวหนึ่งคุณนัดเพื่อนที่รักกันมากนะครับจะไปดูหนังรอบหกโมงนะแล้วคุณก็ไปนั่งรออยู่ก่อน อาจจะนั่งกินกาแฟนั่งฟังอะไรเพลงเพลินแต่ว่าพอใกล้องค์โมงชันมีปัญหาแล้วเพราะว่าเพื่อนยังไม่โผล่มาวันนี้เกิดปัญหาที่ต้องตัดสินใจว่าทิ้งเพื่อนดูหนังหรือว่าทิ้งหนังนั่งรอเพื่อนเพราะเวลามันมันมิ่นเมจ์จนใจขึ้นมาทีนี้ความงมงายในความรู้สึกคืออะไรครับก็คือจิตใจเราเ ร, าร้าร้อนครับเรียกร้องให้เพื่อนมา ทำไม่แกไม่มานะทำไมไม่โผลออกมานหะนังก็ลังจะฉายแต่เราลืมนึกว่าเพื่อนจะมาแต่เมื่อมันมาเท่านั้นมันจะมาก่อนมาไม่ได้เข้าใจไหมแต่การเรียกร้องเราในล า, นลาก็ว่ามึงเขอะมาสิอยู่ดีๆก็โผล่เปลี่ยงกันมาเลยจะได้ดูหนัง ท, ทําจริงการมาของเพื่อนมันมีโซลูชั่นของมันคือก็าอาจจะกําลังเดินมาทียนน้อยแต่ยังไม่โผล่มันต้องมา เมื่อมันมาคือมันจะมาก่อนมาเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้แต่จิตใจเราเรียกร้องอย่างร้ยเหตุผลจริงไหมจริงไหมครับสงสัยเคยมีประสบการณ์ท่านอย่างนั้นเรื่องมนุษย์เนี่ยมเมื่อมันเข้าไปในอารมณ์แล้วมันจะไม่มีเหตุผลเลยครับแล้วทุลนทุรายแล้วโมโหเพื่อนด้วยเข้ามาแล้วยังนั่งด่าซกหน่อยที่จริงน่าจะขอบใจก็ขอบคุณมากที่มาทันนมันไม่อย่างนั้นมันซัดเลย มันมันตกเป็นธาตุอารมณ์และไล่เหตุผลเข้าใจไหมครับอืมทีนี้ถ้าคนที่ถูกสอนให้ใส่ใจในกรรมวิธีหรือมรรควิธีนะครับมันไม่จาเป็นต้องใส่ใจผลเลยคือว่าผลออกมาจากเหตุคุณนั่งรอไม่มาคุณอาจจะตัดสินใจไม่ต้องดูก็ได้หนังรอเพื่อนสั่งกาแฟาถ้วยใหม่มานั่งกระดิบเท้ารอเล่น เดี๋ยวเขาก็มาถ้าก็าไม่มาเราก็ไปหาที่บ้านนี่เรียกว่ากระบวนการนะการรู้จักใส่ใจรู้จักสร้างเหตุนะครับโดยไม่ต้องรอผลนั่นเป็นศิลปะชั้นสูงศิลปะแห่งการรอคอยเพราะเราเคลื่อนมืออย่างนี้นะครับเราต้องรู้ว่าเราอย่าไปหวังผลใดๆทั้งสิ้นครับเพราะเรากำลังสร้างเหตุเข้าใจไหครับ ส่วนผลนั้นต้องเกิดแน่ครับอันหนึ่งอันใดแน่แม้แต่เกิดเป็นศูนย์ขึ้นมาคือไม่มีผลเลยนั่นก็คือผลคือผลแล้วก็ไม่มีผลนั่นก็ผลอันหนึ่งผลลัพธ์ที่ว่ามันไม่เห็นมีอะไรเลยนั่นก็คือผลดังนั้นเราก็ลังสร้างเหตุชนิดนี้ครับเพียรที่จะปฏิบัติอยู่อย่างนี้แทนที่จะนั่งนึกเมื่อไหร่นอ้อมจะหลุดพ้นเมื่อไหร่จะได้สมาธิ ถ้าคืนคิดอย่างนี้นั่นวิธีที่ไล่สมาธิออกไปจากตัวเองพรอาอยากได้สมาธิระยะทางก็ห่างไปทันทีเพราะไม่รู้ไม่ชี้กับมันนี่เรียกว่าศิล ป, ปะแห่งการรอคอยถ้าคุณจะรอคอยเพื่อนที่เข้าดูหนังนะครับหรือรอคอยวันที่จะแต่งงานใครบางคนองยอดศิล ป, ปะแห่งการรอคอยที่สูงสุดก็คือไม่คอยครับ ฟังดูแล้วตลกนะแต่ว่านี่ เ, นเรื่องจริงครับเพราะในการรอคอยนะมันเหนื่อยมากๆเลยนั่งรอเพื่อนดีข้าวดูหนังนะี่การรอคอยที่ดีที่สุดคือไม่คอยมันละนั่งเฉยๆมาก็มาเองไม่มาก็ไม่มาเราเลยสบายเข้าใจไหมครับแต่ว่าโดยความเป็นจริงนั่นคือการรอคอยแต่รอคอยชนิดไม่คอยจริงไมผมไม่ได้พูดเล่นนะมันมีง่ามมุมชัว่ว เมื่อเราคอยด้วยใจกระวนกวายนั้นตอนนั้นเราลำบากและเป็นทุกข์ชีวิตหนึ่งครับเรากำลังรอคอยที่จะถึงวันหน้าวันหนึ่งเราจะต้องเป็นผู้เท่าผู้แก่ได้ครับแต่ว่ารอจะให้แก่จนก็ต้องกวนกวาย น, นไม่ได้วันหนึ่งเราต้องตายแน่นครับแต่พอรู้ว่าตัวเองต้องตายนี่เกิดกวนกวายขึ้นมาเนี่ยก็ใช้ไม่ได้ วิธีรอรอคอยความตายความแก่หรือความร่ารวยหรือความยากจนที่เกิดที่ดีที่สุดคือไม่รอมันเหมือนคุณเดินทางไกลนะครับกลางวันศึกษสกเยเป้าหมายคือยอดเจดีย์บนภูเขาข้างหน้าถามว่าวัดนั้นอยู่ไหนลุงชาวบ้านบอกโน่นคุณเห็นไหมในริบเรียใจเสียไปแล้วคือมันเห็นแล้วไลวลกลามากครับแต่ว่าถ้าเป็นกลางคืนนะเพื่อนก็นบอกว่าเดินเพืทีละก้าวเดี้งก็ถึงเอง เราก็เดินเดี๋ยวเดียวก็ถึงผมเคยหลอกหลวงพ่ออีกหนึ่งขึ้นเขานั่งเอที่สวนมงนะ้งที่หลวงพ่อสว่างตายไปแล้วที่แรกชวนบอกขึ้นไปบนเขาทางเอมันก็บอ ก, บอกโอ้ยอายุั้งแปดสิบจะไปที่ต่อมาผมชวนไปเดินเล่นในป่าเดินไปเรื่อยแกไม่รู้ว่านี่กำลังขึ้นเขาจนไม่นั่งบนหน้าผาแกก็งงไอ้ขึ้นมาได้ยังไงนี่ก็ทําไปเรื่อยๆครับ ทำไปเรื่อยๆโดยที่จิตใจไม่ต้องผวองยิ่งจิตใจสิ้นผวองมากเท่าไหร่ครับการแสดงออกของธรรมชาติแท้เนี่ยจะเด่นชัดเท่านั้นถ้าคุณทํางานหาเลี้ยงชีวิตเสาะสมเงิ น, นรหรือจะทําอะไรก็ได้ทําไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆครับในสุดก็พบว่าวันหนึ่งพบ ว, ว่าตัวเองมีสิ่งนั้นโดยที่ไม่รู้สึกว่ามีอะไร เข้าใจไหมครับแต่ถ้ามีโดยรู้สึกว่ามีนั้นคือความยึดถือภาษาภาใต้เขาเรียกว่ามะพร้าวตื่นดกเศรษฐีพึ่งผุดเขาาอย่าง้คือพอรวยรู้สึกตัวรวยเนี่ยเดี๋ยวก็พังละแต่ถ้าใครที่เป็นคนรวยจรงิงๆครับเขาก็ยังมีชีวิตเหมือนกับสมัยยากจนสิบปีก่อนผมเคยคุยและรู้จักกับ จป้าคนหนึง่งจิงนป้าโปหวยอาจารย์คงรู้จักครับคนนี้รวยมากๆเลยแต่ว่าผมเห็นแก ก, กินข้าวกับปลาแห้งกแทบจะทุกมือ้อถ้ามีใครไปถามไม่รู้ว่าทำไมทำตัวอย่างนี้ล้วป้าารวยออกแะบอกมก็ทำอย่างนี้มันตั้งแต่จนๆนั่นแหละดังนั้นแกไม่ได้รู้สึกว่าความรวยจะเปลี่ยนแปลงอะไรชีวิตได้าจายมออีอั้รอ๋ออ ดังนั้นเราเรามาเรียนรู mm ้ศ hmm. <tra unglaub Crash> ิลปะแห่งการรอคอยนะครับเช่นเดียวกับเราเติบโตขึ้นมาจนถึงเวลานี้นะครับมันเป็นมาเองหนูอายุเท่าไหร่คนนี้คนที่นั่งต้นฐานอายุเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดเมื่อเมื่อห้าปีก่อนอายุเท่าไหร่ครับเมื่อห้าปีก่อนอายุเท่าไหร่ ตอนที่ยี่สิบสองนั้นอยากจะให้มันเป็นสิบเจ็ดมตั้งใจไหมที่รู้ว่ามันเป็นมาเองเออมันเป็นมาเรื่อยๆครับหยุดมันก็ไม่ได้ดังนั้นอายุนี่มันเป็นไปเรื่อยๆของมันห้ามไม่ได้ครับเร่งก็ไม่ได้เราทุกคนไม่ได้ตั้งใจที่จะให้สิบเจ็ดยี่สิบสามสิบผมห้าสิบปีนี้ไม่ได้ตั้งใจจะให้ห้าสิบเลยมันเป็นมันเองเข้าใจไหครับ ดันนรรอองนั้นศิลปการรอคอยนั้นที่ดีที่สุดเที่ยวไ ม, ม่ค อ, อยนั้นคือปล่อยให้มันเป็นไปเองระวังให้ดีนะครับคำพูดเนี่ยมันเฉียวกันมากๆเลยระวังปล่อยให้มันเป็นไปเองคือนอนทอดถุยทั้งวันแล้ว <c oughs> ก็ในส่วนก็รู้ธรรมะเองเอาคิดไว้อย่างนั้น <c oughs> เรียกปล่อยเป็นไปเองตามธรรมชาติปีหนึ่งผมไปเป็นบาทกําเนนครับ เน้นเขาเดินตามหลังผมอยู่เลยผมแปลกใจมาถึงอีกวันหนึ่งเขาบอกผมจะไปรออยู่ก่อนนะผมก็แมน เ, นเน้นนิยันดีนิสัยผมจะดีขึ้นคือเขาตื่นก่อนผมนึกขนาดออกไปรอวินบาตไปรอที่หน้าประตูวัดแต่ผมเดินมาใกล้ทางนั้นรู้สึกได้กลิ่นบุหรี่ครับผมนึกออกไอ้เน้ น, นแอบมาสูบบุหรี่นี่เองทาทีขยันซะอีก ผมก็ได้เตือนว่าการสูบบุหรี่นี่มันทำลายสุขภาพไนี่เขาย้อนผมว่าอาจารย์เคยสอนผมว่าให้ทำตามธรรมชาติก็ อ, อยังก็อบอผมธรรมชาติก็ชอบสูบบุหรี่ผมเลยพูดไม่ออกคือแกแกอ้างเช่นนี้แล้วมันไม่มันไม่ต้องพูดกันแล้วผมเลยพูดนิดเดียวว่าธรรมชาติอันหนึงก็กระชิบหายลูกเดียวใครดูธรรมชาติอย่างนี้ ธรรมชาตินี่เป็นไปเองนะครับร่างกายจิตใจของเราเป็นธรรมชาติหน่อภัยก็แทงหนองมาเรื่อยๆตามธรรมชาติของครับฝนก็ตกฟ้าก็หองพัดลมนี่ก็พัดตามธรรมชาติครับก็ไปมีไดานาโมขึ้นไปทำตรงนั้นเข้าตรงนี้เดี๋ยวก็พัดตามเรื่องตามราวตามเหตุตามปัจจัยเข้าใจไหมครับเป็นไปเองโดยธรรมชาติฟันของเราก็ผุไปตามธรรมชาติ คนอายุประมาณ4 0ถึง50ฟันก็ฐานกิ่วคล้ายคผู้